ยาีเรียเรื่องสาเหตุที่วัดร้างมีอยู่วันหนึ่งพระสงฆ์สามรูปมาพบกันโดยบังเอิญที่วัดร้างแห่งหนึ่ง ทำไมวัดนี้จึงสร้างได้ไม่รู้ว่าพระพิสุรูปใดเริ่มต้นการสนทนาจะต้องเป็นเพราะว่าพระสงค์ไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นเองดังนั้นพระโพธิสัตว์จึงไม่ศักดิ์สิทธิ์พระพิษุกอกกล่าวขึ้นจะต้องเป็นเพราะว่าพระสงค์ไม่ขยันแน่นอน ดังนั้นจึงขี้เกียจบูรณวัดพระพิสุขอกล่าวตามอืมจะต้องเป็นเพราะว่าพระสงฆ์ศรัทธาไม่พอดังนั้นผู้ที่มาถวายทูบจึงไม่มากพระพิสุขอกล่าวเถียงกันไปเถียงกันมาจึงตกลงกันว่าต่างจะทำตามวิธีของตน ดูว่าเหตุผลของใครจะถูกต้องพระพิสุกอสศรัทธาอ่อนน้อมในการกราบไหว้พระพระพิสุขอปรับปรุงโบราณสภาพวัดใหม่พระพิสุคอออกบินทบาทบอกบุญไม่นานต่อมาจากวัดร้างก็กลับมาเป็นวัดที่คึกคักด้วยผู้คนอีกครั้งเพราะว่า อาตมาศรัทธาอ่อนน้อมในการกราบไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงเมตตาพระพิสุกอกล่าวอืมเพราะอาตมาตังหาที่ขยันขันแข็งในการบูรณะวัดวัดจึงได้งามสง่าได้เพียงนี้พระพิสุขอกล่าวตามเพราะอาตมาออกไปบินธบาีบอกบุญตั้งหากญาติยอมจึงได้มากถึงขนาดนี้ พระภิกษุคอก็ไม่ยอมแพ้จากนั้นเป็นต้นมาพระภิกษุทั้ง3ก็เอาแต่ถกเถียงกันละเลยหน้าที่ที่ตนได้ปฏิบัติเป็นกิจวัรสุดท้ายวัดก็กลับเข้าสู่ความเงียบอีกครั้งในวันที่ต่างแยกย้ายภิกษุทั้ง3ก็ได้รู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงว่า เหตุไดวัดจึงร้างเหตุที่วัดนี้ร้างนั้นไม่ใช่เพราะพระสงฆ์ไม่นอบน้อมไม่ใช่เพราะพระสงฆ์ไม่ขยันและก็ไม่ใช่พระสงฆ์ไม่ศรัทธาแต่เป็นเพราะพระสงฆ์ไม่สมานฉันตังหา